จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบเมษายนพุทธศักราช5 5งพเป็นวันพระวันธรรมสวนิวันฝันธรรม วันปฏิบัติธรรมเพื่อมาทำจัดบำบัดความทุกข์ใจให้บาบางลงไปให้น้อยลงไปให้หมดไปเพราะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายที่เป็นภัยต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนยิ่งกว่าความทุกข์ใจ ภัยต่างๆภายนอกนั้นเป็นภัยสำหรับร่างกายแต่ภัยของใจก็คือความไม่สบายใจความทุกข์ใจดังนั้นเราต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร ควรจะกระทำอย่างไรเพื่อรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ความไม่สบายใจต่างๆปรากฏขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าความทุกข์ของใจความไม่สบายใจนั้นก็เกิดอยู่ที่การยึดติดไม่ปล่อยวางเกิดจากความอยาก ถ้ามีความยึดติดมีความอยากใจก็จะมีความทุกขึ้นมาทันทีและสิ่งที่ยึดติดสิ่งที่ไม่ปล่อยวางสิ่งที่อยากได้หรืออยากให้มีให้อยู่กับเรานั้นมันก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดเพราะของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของชั่วคราวมาแล้วก็ไปเรามารับรู้มาครอบครองมาได้รากได้ยศได้สังเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายชั่วคราวแล้วเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนี่คือสิ่งที่พุะเจ้าสอน ให้เราศึกษาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้รู้จักปล่อยวางรู้จักละความอยากต่างๆเพื่อจะได้บำบัดกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจให้เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยง ลาบยศสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีเจริญมีเสื่อเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็าเร็วก็จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเรามาตัวเ ป, ปล่าเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาคำว่าเรานี้ก็คือใจผู้รู้ ผูค้คิดนี้เองผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายไปหาราบหายตหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมุกมิ้นกายแล้วก็ได้เป็นเจ้าของราบรสสรรเสริญเจ้าของความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผลตปะต่างๆไปชั่วคราว แล้วหลังจากนั้นก็ต้องจากโลกนี้ไปเมื่อร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาลากยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้กายได้หมดสภาพไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่า เราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมตายไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนที่เรารักเราเคารพก็ดีร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักก็ดีร่างกายของเดรัจฉานทั้งหลายก็ดี อยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดคือมีการเกิดแล้วต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพรากจากกันถ้าเราคอยสอนใจของเราให้พิจารณาอยู่เรื่อใจเราจะได้ไม่ลืมถ้าพอเราไม่ลืมแล้วเราก็จะไม่ยึดติดเราก็จะไม่อยากให้สิ่งต่างๆ อยู่กับเราไปตลอดเราจะเตรียมตัวเตรียมใจจากสิ่งต่างๆไปพอเราเตรียมตัวเตรียมใจพอเราปล่อยวางได้เราจะมีความสุขมีความสบายใจขึ้นมานี่คือปัญหาของพวกเราก็คือพวกเราไม่ค่อยมีเวลามาพิจารณาทำกัน ไม่ไมีเวลามาพิจารณาความจริงกันมัวแต่เสียเวลาหมดเวลาไปกับการหาราบย่สรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิ่นกายพอไม่มีเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความหลงขึ้นมาหลงคิดว่าจะอยู่ไปนา น, า น, าน จะมีลาภยศสารเสริญจะมีความสุขไปนานๆพอมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเสือ่อมทางลาภทางยศทางสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมุนลิ้นกายก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาและเวลาที่จะต้องจากลาภยศสารเสริญจากความสุข ทางรูปเสียงกิริยลดโผฏาพไปเวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งขณะที่อยู่ก็ทุกข์เพราะความอยากให้มีมากๆให้อยู่ไป น, นานๆเวลาจากกันก็ต้องมาร้องหยล้องห้าเศร้าโศกเสียใจเป็นเพราะว่าไม่ปล่อยวางยังยึดติดอยู่ ยังไม่เห็นโทษของความอยากที่จะให้มีมากๆให้มีไปนานๆแต่ถ้าเรามาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไปและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ ก็จะไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายกายกงเพราะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องอาศัยอยู่ก็มีเพียงสี่ช้นสี่อย่างด้วยกันเท่านั้นก็คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้พอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้แล้ว ดูพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านไม่มีอะไรมากเลยปัจจัยสี่ของท่านก็แบบแบบน้อยที่สุดแบบมักน้อยสังดุเช่นพระในสมัยพระพุตธการนี้ท่านจะถือผ้าสามผืนเป็นหลักมีผ้าไว้เพียงสามผืนก็พอแล้วคือมีผ้านุ่งหนึ่งผืน ผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเท่านี้ก็พอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆอาหารของท่านก็ไม่มีการสะสมไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้กับข้า มีบาทอยู่เพียงใบเดียวตอนเช้าก็นําไปเข้าไปในหมู่ว่านเพื่อโปรดสัตว์ไม่ได้ไปขอทานการบินทบาทของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่ได้ไปขอทานไปเพื่อโปรดสัตว์ให้สัตว์ผู้ที่ยังมีความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ในกับข้าวกับปลาอาหารต่างๆให้รู้จักปล่อยวางบ้างให้เสียสละ บ, บ้างเพราะการเสียสละการปล่อยวางจะทำให้ความทุกข์ภายในใจเบาบางลงไปนั่นเองส่วนส่วนผู้ที่ไปบินตบาก็นอกจากโปรดสัตว์แล้วก็เพื่อรับอาหาร มาดูแลอัตภาพร่างกายไม่สะสมไม่เก็บเอาไว้มากจนเกินไปเอาอาหารเพียงวันต่อวันเท่านั้นกินแค่วันนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าเริ่งนี้จะได้ไปบิญทบาหรือเปล่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านพิจารณาความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่านพร้อมที่จะรับกับความตายเสมอ ท่านจึงไม่วิตกกังวลว่าพรุ่งนี้จะมีจะมีกินหรือไม่เพราะท่านไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่หรือไม่เพราะฉะนั้นจะไปวิตกกังวลกับเรื่องของวันพรุ่งนี้ทำไมวันพรุ่งนี้ยังไม่มาเราอยู่ในวันนี้ทำไมเราไม่ทำวันนี้ให้เป็นวันที่มีความสุขกันบัวแต่ไปวิตกกังวลกับวันพรุ่งนี้ ที่อาจจะไม่มีมาก็ได้ถ้ามันมาเราค่อยๆค่อยว่ามันไปเหมือนกับเราว่ากันในวันนี้วันนี้เราทำให้ดีที่สุดพอพรุ่งนี้มาเราก็ทำให้มันดีที่สุดถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเราก็จะมีความสุขการทำความดีที่สุดนี่หมายความว่าปล่อยวางให้ได้มากที่สุดละความอยากให้ได้มากที่สุด เพราะว่าถ้าเรามีพอทินพอใช้แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความอยากเราไม่ต้องมีความจำเป็นจะต้องยึดติดกับอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือไม่นั่นเองถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วชีวิตของเราทุกวันนี้จะมีความสุดจะมีความล่มเย็นเป็นสุดถึงแม้ว่าจะอดบ้าง กินบ้างมีกินบ้างไม่มีกินบ้างอดอยากขาดแคลนในสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ถ้าใจของเราไม่ได้มีความอยากได้อะไรใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับการอดอยากขาดแคลนเพราะสิ่งต่างๆที่เราหามานี้เราก็ไม่ได้หามาเพื่อใจของเราเราหาเพื่อร่างกาย แต่ถ้าเราไม่สามารถหาได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้มันก็ต้องตายไปอยู่ดีถ้ามันจะต้องตายไปในวันนี้เพราะว่ามันอดอยาขาดแคลนก็ให้มันตายไปแต่ใจของเราถ้าปล่อยวางได้จะไม่ทุกกับความตายของร่างกายเพราะเราคอยสอนใจอยู่ตลอดแน่ว่า ไม่วันใดวันหนึ่งร่างกายของเรานี้จะต้องตายไปอย่างแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นถ้ามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยในวันนี้ก็อยู่กับมันไปถ้าเราปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่มีความอยากให้มันหายใจของเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย พอใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือร่างกายแต่ความหลงทําให้ใจไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาก็ทุกทรมานใจทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องพยายามแยกแยะอยู่เรื่อยๆ ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ส่วนใจนี้เป็นหมอเป็นเหมือนหมอเป็นผู้ดูแลคนไข้คนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยหมอก็รักษาไปตามมีตามเกิดมียารักษาได้ก็รักษาไปมียารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันหายเองถ้ามันไม่หายก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ ไปตามเรื่องของมันถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่มีวันทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับลาบยศฉละเสริญกับการเจริญหรือเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผดทพกับการแก่กับการเจ็บไข้ได้ป่วยกับการตายของร่างกายนี่คือวิธีอยู่ของพระพุทธเจ้าและของภาษาวกทั้งหลาย ท่านอยู่แบบวันต่อวันแล้วก็ไม่ยึดติดกับอะไรไม่อยากได้อะไรเพราะว่าต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้ต่อให้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็มาสะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ต่อให้เป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษรัตร์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอเป็นอะไรต่างๆก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้ต่อให้มีคนสรรเสริญยกย่องเยินยอเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้ต่อให้มีลาบต่อให้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตาย เวลาใจไม่สบายก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้าไม่มีความอยากไม่มีความยึกติดในสิ่งต่างๆแล้วรับรองได้ว่าจะดับความทุกข์ใจได้จะอยู่อย่างมีความสุขทาการความอัตคัดขัดสนทางปัจจัยสี่ทางร่างกายอันนี้แหละคือสิ่งที่เรา ควรที่จะให้ความสำคัญอย่างมากก็คือการดับความทุกข์ภายในใจของเราเพราะการดับความทุกข์ของใจนี้จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นมานั่นเองเมื่อไม่มีความทุกข์ใจแล้วก็จะเหลือแต่ความสุขใจและความสุขใจนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอด เพราะใจของเราไม่มีวันตายไม่ว่าใจของเราจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ภพนี้ชาตินี้หรือจะไปอยู่ภบหน้าชาติหน้าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าใจของเราไม่มีความทุกข์แล้วใจของเราจะมีความสุขตลอดเวลาถ้าถ้าเรามัวแต่มาหาลาภหายุทธหาสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายใจของเราก็จะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปมีความยึดติดเพิ่มมากขึ้นไปจนทำให้ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ไม่สามารถยุดติดความอยากได้ทั้งๆ ท, ที่มีมากเกินกว่าที่จะใช้ได้มีปัจจัยสี่ เป็นหลายร้อยเท่าพันเท่าด้วยกันกินไปใช้ไปอีกสิบชาติอีกร้อยชาติก็กินไม่หมดแต่ใจกลับมีความทุกข์ใจกลับไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจเพราะไม่รู้ความจริงของความสุขของความสบายใจของการดับทุกข์ใจนี้ว่าเกิดจากการปล่อยวางจากการไม่ยึดติด จากการไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากให้สิ่งที่มีอยู่กับตนไปตลอดเพราะว่ามันไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็จะต้องหมดสภาพไปเมื่อร่างกายหมดสภาพไปสิ่งต่างๆที่ใจมีความผูกพันก็จะไม่สามารถ ติดต่อกันได้ยังมีในนิทานในสมัยพระพุทธการที่มีเศรษฐีคนหนึ่งที่มีทรัพย์มากแต่มีความยึดติดมีความหวงในทรัพย์มากมีความอยากให้ทรัพย์อยู่กับตนไปนานๆและมีความอยากมีทรัพย์มากขึ้นไปทุกครั้งเวลาที่ได้ทรัพย์มาจะเอาไปฝังดินไว้ ไม่ให้ใครรู้แม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่ยอมให้รู้เพราะไม่อยากให้ลูกๆเอาสมบัติไปใช้อยากจะเก็บเอาไว้เป็นของตนเพียงอย่างเดียวพอเวลาตายไปความยึดติดความผูกพันนี้จึงทำให้เศรษฐีคนนี้กลับมาอยู่ใกล้สมบัติของตน แต่ไม่ได้อยู่ในสภาพของเป็นของการเป็นมนุษย์เพราะได้กลับมาอยู่มาเกิดเป็นสุนัขของในบ้านของตงพอพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จผ่านมาพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ว่าสุนัขที่อยู่ในบ้านตัวนี้เป็นเจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีที่ตายไปแต่ความยึดติด ความอยากได้สมบัติของตนจึงทำให้ต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเพื่อจะได้อยู่ใกล้สมบัติของตนพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็เลยบอกลูกๆของเศรษฐีคนนี้ว่าให้เลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ดีอย่าไปทำร้ายทำลายอย่าให้สุนัขตัวนี้ตายไป ว่าสุนัขตัวนี้แหลเป็นพ่อของลูกๆที่ได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขและต่อไปสุนัขตัวนี้จะพาไปขุดสมบัติที่เศรษฐีคือพ่อของลูกๆนี้ได้ฝังเอาไว้แล้วก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ทรงตัดไว้ทุกประการนี่แหละคือ โทษของการที่เรายุดติดโทษที่เราไม่รู้จักเสียสละไม่รู้จักแบ่งปันมีแต่ความอยากได้อยากจะเก็บเอาไว้อันนี้จะทำให้เราไม่ทำบุญจะทำให้เราไม่รักษาสีกันพอเราไม่ทำบุญไม่รักษาสีไม่ทำบุญเพราะอะไรเพราะเสียดายเพราะหวงสมบัติ ถ้าทำก็ทำแบบขอไปทีทำแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่มีผลมากนักแล้วก็ไม่สามารถรักษาศีลได้ก็เพราะว่าอยากจะได้เงินได้ทองมาแบบง่ายและเร็วถ้าอยากจะหาเงินหาทองแบบง่ายและเร็วก็ต้องโกงบ้างต้องโกง อ, อกหลอกลวงบ้าง ต้องทำาอาชีพที่ไม่สุจริตฆ่าสัตว์ตัดชีวิต mm hmm. ก็จะทำให้ไม่มีสีพอเวลาตายไปเนื่องจากมีความอยากมีความยึดติดในสมบัติ mm hmm. ก็จะเวียนกลับมาเกิดแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เ mm hmm. พราะว่าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาสี mm hmm. ก็มาเกิดเป็นสุนัข แล้วก็ไปขุดคุยสมบัติมาแต่สุนัร ก, ก็ไม่สามารถใช้สมบัติของตนได้อย่างมากที่สุนัรจะได้ก็คืออาหารที่เขาให้ที่เขา้ิมดูไปวันวั น, วนอย่า ง, งนั้นเองนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ปรากฏขึ้นมาแล้วในสมัยพระพุทธกาลจึงควรจะตเป็น คติเตือนใจคติสอนใจพวกเราทั้งหลายถ้าพวกเรายังมีความอยากได้ทรัพย์มากมากมากเกินความต้องการก็ขอให้เราคิดถึงเรื่องนิทานเรื่องนี้และให้คิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าและพระสาวกว่าท่านอยู่อย่างไรท่านอยู่แบบสะสมสร้างสมบัติไวมากมายกายกอง หรือว่าท่านอยู่แบบวันต่อวันแล้วความสุขของท่านกับความสุขของผู้ที่มีทรัพย์สมบัติกองเท่าภูเขานี้ต่างกันอย่างไรผู้ที่มีทรัพย์สมบัตินั้นมีความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายมีการหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราควรจะเอามาเปรียบเทียบเอามาพิจารณาดู ตอนนี้เรามีสมบัติข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้กันแต่ใจของเรานั้นมีความทุกข์อยู่หรือไม่ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้หรือไม่ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็สแสดงว่าเรายังมีความอยากอยู่เรายังมีความยึดติดอยู่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องมา ลดความอยากลดความยึดติดด้วยการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีมากเกินไปนี้ให้แก่ผู้อื่นไปจะให้ใครก็ได้แล้วแต่เราจะมีความศรัทธาให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้สังคม ให้ศาสนาได้ทั้งนั้นข้อสำคัญขอให้เราอย่ายึดติดกับสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็อย่าอยากได้สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินความจำเป็นถ้าเราทำได้แล้วใจของเราจะลดความทุกข์ลงไปได้อย่างมากมายเลยและยิ่งที่เราคิดว่าเราอยู่วันต่อวันก็พอ เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราอาจจะตายพรุ่ง น, นี้ก็ได้ถ้านื้ออาจจะตายวันนี้ก็ได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตายทุกวันแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ยึดติดเราจะไม่อยากได้มากกว่าความจำเป็นถ้าเราไม่ยึดติดเราปล่อยวางไม่มีความอยากได้มากกว่าเท่าที่เรามีอยู่ รับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ใจกับเรื่องราวต่างๆจะไม่กังวลวิตกกับเรื่องสมบัติข้าวของเงินทองว่าจะมีมากกว่านี้หรือจะมีน้อยกว่านี้ไม่เป็นไรเราขอจเจริญรอยพระพุทธบาทดีกว่าเราขออยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกดีกว่าคือเราจะอยู่วันต่อวัน วันนี้มีกินก็ดีแล้วพรุ่ง น, นี้จะมีกินหรือไม่มีกินค่อยว่ากันใหม่ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เรามีวันไหนที่เราไม่มีกินบ้างหรือไม่ ใ, ให้คิดอย่างนี้ดูบ้างดูสถิติก็แล้วกันว่าเกิดมาแล้วต้องยี่สิบสปีสี่ปีห้สปี60ปีนี้เรามีวันไหนที่เราไม่มีกินไม่มีใช้บาง แล้เราจะไปวิตกกับวันทุกวนี้ทำไมมันมีกินมีใช้อยู่ทุกวันแหละราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ราบใดที่เรายังทำงานทำการทำอะไรได้อยู่รับรองได้ว่าจะไม่มีวันโอดตายอย่างแน่นอนขอให้คิดอย่างดีแล้วเราจะได้ไม่กังวลกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง มันจะมีมากมีน้อยมันจะมาหรือมันจะไปจะไม่เป็นปัญหากับเราเราจะอยู่กับสิ่งต่างๆได้อย่างมีความสุขจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆเลยดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทาให้มากก็คือให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้สมมติว่าเราอาจจะต้องตายวันนี้ ถ้าเราจะต้องตายวันนี้เราจะทำอะไรถ้าเกิดมีโยมมบานาะบอกเราว่าวันนี้เป็นคิวของเธอแล้ววันนี้เราจะเอาเตัวเธอไปแล้วเราจะทำอะไรกันเรายังอยากจะไปหาสมบัติให้มีมากขึ้นหรือเปล่าเรายังห่วงใยคนนั้นคนนี้อยู่หรือเปล่ายังอยากจะให้คนนั้นคนนี้มีอย่างนั้นมีอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเราจะไม่ห่วงใครแล้ว เราจะห่วงตัวเราเท่านั้นถ้าเราปล่อยวางได้ยินดีที่จะไปกับโยมบาลเราจะไปอยากมีความสุขเพราะว่าเหมือนกับมีคนมาชวนให้เราไปเที่ยวนั่นเองเวลาใครมาชวนเราไปเที่ยวนี้เป็นยังไงเรายินดีหรือเราไม่ยินดีถ้าเรายินดีนี่โหนิมยามล่าลงจ่มใสให้เบิกบานไปเลยใครมาชวนให้ไปเที่ยวมงนอกไปเลย ใครมาชวนให้ไปเที่ยวที่นั่งที่นี่ไปเลยไปอย่างมีความสุขเพราะเราไปด้วยความยินดีฉันใดเวลายมาบาลมาชวนให้เราไปเที่ยวเราก็ต้องยินดีเราต้องพร้อมที่จะไปเสมอถ้าเราเราพร้อมเรายินดีแล้วเราจะไปอย่างมีความสุขจะไม่มีความทุกข์เลยนี่คือสิ่งที่เราควรจะทําอยู่เรื่อยๆคือเตรียมตัวเตรียมใจ ที่จะออกเดินทางที่จะไปเที่ยวกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วชีวิตของเรานี้จะมีความสุขทั้งงานขณะที่เราอยู่และในขณะที่เราไปเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเอาธรรมะคำสอนของพราพเจ้านี้มาปฏิบัติ เพื่อลบความทุกข์ภายในใจเพื่อความสุขเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นให้อยู่กับเราไปตลอดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพะระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันวนันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย